ปะจระเข้รันคนเจา้าเจ้าเรือมาสุดระยะทางสองคืนก็ถึงท่าเรือวัดเมืองชัยนาธบุรีจึงได้จอดเรือเข้าที่ท่าในเวลากลางคืนเพื่อพักผ่อนคนเจ้าเรือจอดเรือเรียบร้อยแล้วจึงอาบน้ำดํากล้าวและพักนอนอยู่เรือทั้งสามคนรุ่งชเช้าเจ้าจระเข้ใหญ่ในหน้าน้ำหน้าท่านั้นก็ขึ้นเสือกตัวมาตรงหัวเรือเป็ดของตะผล คนบนเรือริมตลิงสามคนแม่ลูกและหญิงผู้ใหญ่ลงอาบน้ําหน้าบันไดบ้านแต่เช้าครั้นเห็นเจระเเค่ขึ้นจักคาบคนนอนหลับที่หัวเรือใหญ่พากันตกใจกลัวแล้วร้องโวยวายขึ้นคนแจวที่สองนอนถัดเข้ามาได้ยินเสียงคนบนเรือ น, นั้นร้องเอะอโวยวายก็ตกใจตื่นขึ้นเห็นเจระเเ้ขึ้นตรงหัวเรือก็รีบลุกขึ้นจับบรรเอลคนนอนหลับตรงหัวเรือเพื่อให้พ้นจากปากเจระเเ้ ส่วนคนเจ้าเรือคนที่สามก็ตื่นขึ้นนั่งหัวเราะคนบนบ้านที่กาลังหนีจะระเข้ขึ้นบันไดผ้าผ่อนหลุดลุ่ยล่อนจอนลูกเด็กหญิงเหนียวขาแม่นางแม่เหนี่ยวขาใหญ่ยายผ้าลุ่ยหมดก้าวขาต่อไปก็ก้าวไม่ออกแต่ผลอยู่ในเรือก็โผล่ออกมายืนดูอยู่เฉยๆไม่ว่ากล่าวอย่างไรฝ่ายสมัมเนนโตก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาอยู่ในประทุนเรือเกิดเหตุอัศจรรย์ เจอระเคขึ้นมาแล้วก็อ้าปากไม่ออกจมก็ไม่ลงและไม่วายมีฟาดหางทั้งนั้นดูอาการอ่อนเปลี่ยลงคนหมุนบ้านก็งงคนนีเรือก็งันเช่นกัน